เสียงหนังสือเรื่องแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลัตตุโลโดยหลวงพ่อปราโมทป่าโมชโชอารัมพบทเมื่อ20กว่าปีก่อนการดูจิตยังเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่รู้จักกันอยู่ในวงแคบเฉพาะในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูลัตตุโลบางส่วนเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักปฏิบัติส่วนมากเมื่อได้ยินคาว่าดูจิตถ้าไม่งุนงงก็มักจะปรามาดว่าไม่ใช่หนทางปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าดูจิตและไม่ทราบวิธีการดูจิตด้วยแต่ก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเนื่องจากไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ตนคุ้นเคยทั้งที่การดูจิตนั้น ลงกันได้พอดีกับคำสอนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานตามพระสูตรหรือแม้กระทั่งกับอภิธรรมแต่เมื่อถึงวันนี้หากนักปฏิบัติไม่พูดถึงการดูจิตหรือไม่เคยได้ยินคำว่าดูจิตก็อาจจะถูกมองว่าไม่ทันสมัยเสียแล้วเพราะไม่ว่าไปที่ใดก็มักได้ยินคำว่าคนนั้นดูจิตคนนี้ดูจิตต่างก็อ้างคาสอนของหลวงปู่ดูลบ้าง อ้างคาสอนของลูกศิษย์หลวงปู่บ้างหรือไม่อ้างเลยก็มีบ้างปรากฏการนี้ด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะทำให้วงการกรรมฐานมีทางเลือกในการปฏิบัติมากขึ้นแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการเผยแพร่เรื่องการดูจิตทุกวันนี้เริ่มคลาดเคลื่อนจากแก่นทำคาสอนของหลวงปู่ดูลบ่อยครั้งที่ขัดหรือแย้งกับหลักการเจริญสติปัฏฐาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนอภิธรรมเสด้วยซ้ำไปการดูจิตที่ผิดหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถึงอย่างไรก็ไม่นำผู้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้ให้พวกเราเห็นความจริงว่าคำสอนเรื่องการดูจิตของหลวงปู่ดูลั้นมีความหมายและวิธีการอย่างไร ลงกันได้พอดีกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตามไนยะแห่งพระสูตรและอภิธรรมอย่างไรเพื่อพวกเราที่ชอบคำสอนของหลวงปู่จะได้ไม่หลงไปทำสิ่งอื่นทั้งที่คิดว่ากำลังดูจิตตามคำสอนของหลวงปู่หรือปฏิบัติขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่เพียงตนเองจะไม่ได้ผลในการปฏิบัติแต่จะทาให้คาสอนเรื่องการดูจิต เสียหายและที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับชาวพุทธก็คือจะพลอยทำพระศัทธธรรมให้ฟั่นเฟือนไปด้วยอันหนึง่งคุณความดีของหนังสือเล่ม น, นี้ผู้เขียนขออุทิศแด่โยมพ่อวิชัยโยมแม่ดวงแก้วสันตยากรผู้ให้กำเนิดโยมพ่อสวัสด์จันอํารุงโยมแม่ชะแล่มแตงอ่อนเย็นสบาย ผู้ให้การเลี้ยงดูพระประโปาโมทปราโมโชหนึ่งตุลาคม2551